ถ้าอย่างนั้นผมก็ขอเข้าเรื่องผมมั่งคื อ, อตลอดชีวิตนี้นะครับที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นการศึกษาแบบแยกส่วนคือเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญและลําดับนะลําดับก่อนหลังก็เหมือนกับว่าเออถ้าเราอายุน้อยๆยไปศึกษาธรรมะนั้นมันได้เลยครับแบบนั้นนี่โชคดีที่ศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปห้าตั้งแต่โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์คือตั้งแต่กี่ควบหลับปห้าก็คือประมาณ กี่ขวบได้อะก็คือปอ .1 ป .7 8 9 10ประมาณ11 12ขวบแต่คราวนี้เนี่ยนั่นคือการที่เราสะสมและมีอุปนิสัยการชอบตรงนี้มาแต่ถ้าคนที่เริ่มจาก40แล้วเนี่ยครับไม่รู้จะเริ่มยังไงดีหรือว่าเริ่มจาก50แล้วมาเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชีวิตเอาไปลอกเอาไปลองเล่นไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็มัน เหมือนกับครูบาอาจารย์คนนี้ก็มาพูดอย่างหนึ่งเอาไดจิกซอตัวหนึ่งครูบาอาจารย์ น, นี้ก็มาพูดอย่างหนึ่งได้จิกซอตัวหนึ่งกลายเป็นว่าเราไม่เห็นความภาพรวมของจิกซอปติประต่อเหมือนเวลาเราไปซื้อจิกซอเราจะเห็นภาพรวมมันทั้งหมดเลยเนาะแล้วเรามาต่อแต่นี้เล่นเอาทีละตัวทีละตัวมาให้เราแล้วก็อาจารย์นี้บอกว่าเอาตัวนี้ไปก่อนพอไปเรียนอาจารย์นู้นเอาอาจารย์นู้นหรือเอาตัวนี้ไปก่อนมันก็ไม่รู้ภาพใหญ่ของมันเป็นยังไงซึ่งผมก็เป็นอย่างนี้อ่ะดีที่ผมไปเรียยยนนตตั้้งแ่ออาุๆ ตั้งคือประมาณสิบเอ็ดขวบสิบขวบตรงนั้นแต่เรียนก็คือพเรียนของการพระุทธศาสนาเด็กๆกันครับมันเป็นการเรียนแบบสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้จิตใจมันหยู่สงบสงี่ยมเตรียมตัวเป็นหน้าที่ชาวพุทธอะไรแบบเนี้มันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นผมก็เชื่ออะไรหลายๆอย่างเช่นตอนที่ผมเด็กๆกันผมเชื่อว่าในในจอมปลวกกันครับในต้นไม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะผมดูหนังจักจักรงงมากผมก็เด็กๆผมก็ชอบว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอยู่ในปลวกที่เขา ปลวกก้นใหญ่ปวกโตโตปลกต ว, ว, ว, วปล ก, ปลกใหญ่ๆนะครับจอมปลวกถึงคราวนี้ผมก็นับถือพวกแบบนั้นเลยเหมือนคนเหมือนคนอะไรอะ่ะเหมือนคนที่นับถือศิลศาสตร์เลยอตอนนั้นตอนเด็กๆเหมือนกับคนที่ที่อะไรอะ่ะที่เหมือนกับไหว้ผู้ผีบีศาสตร์นะไหว้ยคียไหวอะไรก็เหมือนกับว่าแสดงว่าอิทธิพลของหนังจกัจกจักวงๆเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารก่อเพชรก่อแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดเสงีงอะไรมีผลต่อชีวิตของเด็กมากนะแล้ว พอโตขึ้นมาก็มารู้สึกว่าเออทำไมสวดมนต์โดยเฉพาะบททำนองสอรพันยาองค์ใดพระสามพุทธมันไพเราะจังเลยอ่ะสงบมากก็เลยมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาพอพอพ อ, พอจบป .6 เนาะมันก็ไปต่อมัธยมซึ่งต่อมัธยมนี้มีครูบาอาจารย์ซึ่งเราเองเป็นคนที่แบ็กเคาส์เนี่ยพ่อแม่มันไม่พ่อแม่แยกทางกันแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างทุกข์เนาะแต่เชื่อมั่นว่าธรรมะเนี่ยคือทางทางออกทางร อ, อ, อดทางพ้น นี่ดีที่ที่สะสมมา ด, ดีจึงจึงจึงเชื่อว่าเออแม่จะลําบากไม่มีพ่อแม่ในในการเลี้ยงดูตอนวัยเยาว์เนี่ยแต่แต่ศาสนานี่เป็นที่พึ่งที่สูงสุดก็เลยมีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์ไพภพอะเนาะเป็นเหมือนแม่ทางธรรมท่านก็ให้สอนนั่งสมาธิสอนต่างๆก็ท่านก็ดีเนาะสอนให้นนจะนั่งสมาธิแต่เหมือนที่ที่นิชาพูดนะนั่งพอสงบสงบหลับพอสงบสงบหลับทาไม่หลับบ่อยอย่างเราเนี่ยที่หลับยังก็ไม่เป็นไรแต่พอจบจากที่นั่น มันมีง ม, มัธยมต้นเหรอเนาะมัธยมต้นมันจบที่มสามเป็นโรงเรียนหัดเด็กวิลัยสมบูรณ์กูลกัญญาในโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วแหละขณะนี้ก็ก็ต่อต่อต่อพาฒ ช, ชั้นไปก็คือต้องต่อมสี่ทนมึมมสี่เนี่ยมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งไงเนาะที่ที่คร่มโหวตในวงการในเรื่องของการยกมือสิบสี่จังหวะคิดดูว่าตอนนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่ได้อ่ะก็คืออายุประมาณมสี่ก็ อายุประมาณม .4 นี่คิดว่าอายุประมาณสิหได้พี่นาสิบหกปีเนาะและขณะนั้นที่สนทนาเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็เป็นคนแปลกแปลกตรงที่ว่าอาจารย์คนนี้มีสายเข้าอีกแล้วนั้นเดี๋ยวขอคนอื่นก่อนก็นะออมคนสายวางไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนดังนั้นคุยต่อคราว น, นี้ขณะที่ม .4 จนถึงม .6 น, นั่นนี่ยอาจารย์คนนี้เขาเชี่ยวชาญของการฝึกหลวงพ่อเทียนเพราะท่านนั้นไปเอาวิชาหลวงพ่อเทียนมาแล้วท่านก็ มาบอกเด็กว่าเธอลงมาฝึกพวกนี้สิมันเป็นของใหม่และมันเป็นของที่ล้ําสมัยพ้นทุกได้เราก็เราก็เป็นคนชอบพระพุทธศาสนาอยู่แล้วครับเป็นแกนนําในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็มายกมือสร้างจังหวะโอ้วิชานี้มันเป็นวิชาแปลกประหลาดยกมือมันหุ่นเลยในใจตอนนั้นตอนที่เด็กๆม .4 น้องมปลายแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าวิชานี้นะครับมันเป็นวิชาที่ทําให้หยุดคิดได้เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้ววิชานี้ซึ่ง ความคิดอะไรที่เครีย ด, ยดมาบางทีสับสนมั่งเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องสารพัดเรื่องนั้นมันหยุดได้ไ ว, วิชานี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยกมือสร้างจังหวะนี้มันไม่ธรรมดาทําไปทำมาก็ไปเขาเรียกอะไรอยากไปคลุกวงในก็คือเข้าไปเป็นโดยเฉพาะไปเรียนวิชานี้ตั้งแต่นั้นมายาวนานมากตั้งแต่คิดดูตั้งแต่มอไหนมอสีอ่ 4, จนถึงมาไวทํางานแล้วไวอะไรแล้วผ่านสารพัด แต่ในระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทิ้งวิชาอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุบหนอปองหนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของดูจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการทําอะไรต่างๆโดยเฉพาะของของอาจารย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นติสนัฐน์นก็ดีไม่ว่าจะเป็นกิษณมูรติไม่ว่าจะเป็นปราต่างๆอ่านหมดนะครับเ้นอะไรก็อ่านหมดแต่ก็เออ ยังไม่ไปยังยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะยังมีพระเอกในใจก็คือหลวงพ่อเทียนยกมือสร้างจังหวะนี้แหละมันมีความสุขมันเพลิดเพลินดีเพราะมันทําให้ความคิดของที่วุ่นวายเนี่ยแรงแรงได้มันได้หยุดชะ ง, งักหรือว่าเออเราเห็นแล้วแล้วก็ยิ่งมีหนังสือในเรื่องลักษณะว่าเออเขาเปรียบเทียบว่าความคิดเนี่ยเหมือนหนูไอความรู้สึกตัวเหมือนแมวถ้าเราให้อาหารคือเราจเจริญสติมากมากเนี่ยแมวจะอ้วนโดยไม่ต้องไปทําอะไรกับหนู ก็เข <muy> ้าใจว่าวิชานี้แหละมันเป็นวิชาที่สามารถที่จะหลุดความคิดได้เพราะว่าต้นต่อของปัญหาหรือสาเหตุทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดโอ้ถ้าอย่างนั้นเราต้องให้มันความคิดมันหมดหรือให้ความคิดมันน้อยหรือว่าเราต้องเอาชนะความคิดให้ได้ตอนสมัยเด็กๆคิดอย่างนั้นเลยเนาะเราต้องเอาชนะความคิดให้ได้ถ้าเราชนะความคิดได้ปัญหาในโลกนี้หมดเลยเพราะว่าปัญหาในโลกมันอยู่ที่ความคิดดังนั้น ก็ฝึกวิชานี้ตั้งนานนมนานม น, านมแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมามากมายในในวิชาหลวงพ่อเทียนนี้บางท่านก็บอกว่าเออการรู้สึกตัวแบบที่ทำทำอยู่มันเพ่งเ อ, อ้ามันเพ่งที่มือมันเพ่งที่เท้าจริงๆเออมันก็ผิดมันก็ผิดเนาะเราเพ่งมากเกินไปก็มาพยายามที่จะมาออกกำลังกายบ้างเดินเดินไปไหนมาไหนก็สบายสายไม่ไม่อยู่ในรูปแบบหรือแพทเทิร์นของเขาสิบสี่จังหวะนั้นถึงคราวนี้ัน ก่อนพูดมาถึงหลังๆแล้วเลยตอนหลังๆแล้วคือมาเริ่มวัยทางานแล้วอะไรต่างๆแล้วเนาะมันไปเจอคนหนึ่งที่เขาเขาแขนขาดเนาะเขาฟิการแต่คนนี้เข้าไปไปไปสร้างสร้างสถานทางเดินจงกรมไว้ตอนที่ที่ไปที่ไปอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็เห็นทําไมตาคนนี้เขามาทําอะไรที่ที่เหมือนกับชาวบ้านเขาไม่ทำนะมาสร้างมาสร้างทางเดินจงกรมผมก็าถา ม, มาตาแล้วมันท้างทาไมทางจงกรมนี้ไม่มีใครเดินแล้วตอนเนี้ เขาบอกว่าทำไปเถอะประโยชน์มันไม่ใช่อยู่ที่นี่เดี๋ยวปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่เห็นแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีคนเดินก็ได้ก็ฟังเออตานิ้เก่งเว้ยแล้วก็แล้วถามตาว่าแล้วตามีอะไรแนะนำบ้างล่ะตาบอกว่าอยากจะแนะนำลูกสักอย่างหนึ่งว่าเออเวลาเดินไปไหนมาไหนให้คิดว่าตัวเองเป็นหุ่นแล้วเราก็สังเกตหุ่นนี้เนาะวิชานี้ที่ได้มาจากตานี้ก็ประมาณห้าหกปีถึงเท่านี้อไอวิชาหุ่นนี้มัน มันมันถูกโลกมันมีความรู้สึกเดินไปไหนมาไหนเห็นแต่หุน้นพอพอพอตานี้แนะนาก็ก็สนใจหุน่นก็ก็รู้สึกรู้จักรู้จักั ก, กหุน่นตรงนี้เดินไปไหนมาไหนทำกิจวัตรต่างๆดูหุน้นแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ล่าสุด b หกศูนเนาะ b หกศูนย์มาเห็นว่าถ้ามันเห็นหุ่นอย่างนี้มันก็ยังเป็นเราเห็นนะแล้วก็แล้วก็มาเจออภิธรรมคราวนี้แหลย b หกศูนมาเจออภิธรรมอภิธรรมบอกว่ามันมีความเป็นเรา ถ้าถ้ามีความเป็นเราเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นสักยะทิฐิมันมันมีความผิดตั้งแต่ต้นมันผิดตั้งแต่กระดูมเม็ดแรกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาถ้าอย่างนั้นที่เราเรียนมาเนี่มันมันผิดหมดเลยอ่ะเพราะมีเราไปทําทั้งหมดเลยอ่ะมีเราอยากได้มีเราคาดหวังมีเราต้องการมีเราเป็นผู้เดินมีเราเป็นหุ่นอะไรต่างๆเอ๋อมีเราเป็นหมดอย่างนั้นผมทํำยังไงก็มันต้องมีโลภะมีความติดข้องแน่ไม่พ้นมันแน่ก็เอายอมทิ้งทั้งหมดเลยวิชารู้สึกตัว คราวนี้พอทิ้งทุกอย่างหมดนะมามาฟังอภิธรรมอภิธรรมนี้ก็ละเอียดฟังฟังอภิธรรมละเอียดแต่ไม่ได้เรียนเหมือนคนอื่นเขานะเรียนของ เ, เรียนแบบของคนอื่นเขามาต้องจดทีละดวงทีละดวงว่าจิตมีอะไรมั่งจิตมีแปดสิบเก้าดวงเจตสิกมีห้าสิบสองรูปมียี่สิบแปดถ้าเรียนแบบนี้มันไม่เก็ตมันเป็นเรียนแบบหนังสือท่องจําตอนนั้นคิดอย่างนั้นก็เลยอาจารย์ที่เขาเป็นประมาจารย์ด้านอภิธรรมเขาก็บอกว่า การเรียนอภิธรรมมันต้องเรียนด้วยความเข้าใจฟังไปก่อนแล้วฟังแล้วมีความเข้าใจทีละนิดด้วยความเข้าใจเนี่ยจะจะนําไปในความเข้าใจต่อต่อต่อต่อไปเรื่อยๆ ก, ก็ก็ดีนะอาจารย์พูดแบบนี้ไม่เคยได้ยินก็ฟังแล้วเออมีความเครื่อนครื่อแล้วก็แต่ในใจลึกๆนั้นเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่ไม่ใช่เราพูดคล่องเลยอ่ะแล้วขณะนี้มีเห็นมีจริงๆเห็นกาลังมีเดี๋ยวนี้นะเห็นมีจริงๆใช่เห็นกับได้ยินคนละอย่างในขณะนี้นะเออใช่ใช่ใช่ และเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราใช่ใช่ใช่ก็ศึกษาจนว่าเออเริ่มเริ่มจะเริ่มจะเข้าไปคล่อมวดวงการธรรมะไม่ใช่เราแล้วโอ้จริงๆมันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างไม่มีเราโอไอซีแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกเป็นเราอยู่มันเหมือนกับว่าไปเรียนว่าเออเรียนเรียนฉันเป็นเศรษฐีเนาะเรียนเรื่องการเป็นเศรษฐีแต่ตอนนี้กูจนอยู่ว่ะพูดง่ายๆมันก็มันก็ไปทำให้ทําไมว่ายิ่งเรียนมีแต่ความรู้เรื่องทฤษฎีหมดเลยอะมีแต่รู้เรื่องว่าเออ เราเรียนวิชาเศรษฐีแต่ตัวเองจนนี่มันไม่ยังไงวะเรียนไม่มีเราแต่มันเราเป็นเป็นเราร้อยเปอร์เซนอยู่วันหนึ่งต้องขอบคุณน้องเพลินอย่างยิ่งเลยอ่ะอยู่ๆมันไม่รู้ส่งอะไรมาแล้วก็เออพอส่งหลวงพ่อออสนี่แหละเออส่งหลวงพ่อออสแล้วก็ผมก็ อ, อืหลวงพ่อนี้อยู่วัดป่าสุขโตฝึกเคยผมนี่สายหลวงพ่อเทียนทําไมไม่รู้จักเลยวะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในสายงานหลวงพ่อเทียนไปยี่สบปีก่อนไม่ได้ยินหลวงพ่อออสเลยอ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าออโทรทักทายน้องนี้ดีกว่าเผือ น, น้องนี้เขาเขาเคยมีประสบการณ์อะไรดีๆก็ทักไปแล้วน้องเพิ่อนก็ตอบ ก, กลับมาให้น้องเพิ่อนพูดตรงนี้นิดนึงครับว่ามาเกื้อกูลพี่ยังไงครับก็อันดับแรกนะผมขอขอกราบขอบพระคุณด้วยบุญเก่าต้องขอบคุณตัวเองด้วยแล้วก็ที่สะสมมาก่อนทีชาติเหมือนกันเพราะว่าผมไปเจอหลวงพ่อรอดโดยบังเอิญโดยไม่ตั้งใจ แต่ก็เห็นเป็นพาะองค์หนึ่งแบบโนเน่มากครับไม่รู้เลยแบบเหมือนเหมือนถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนสินค้าที่ไม่มีชื่อเลยแบบไม่รู้จักเลยแบบบ้านๆพระบ้านแต่อะไรมันรู้ต้นใจว่าเออลองฟังดูนะอีกอย่างผมคนเป็นคนอย่า ง, งพื้นฐานผมคือใครก็ได้จะเป็นพระเป็นอะไรถ้าเราเราฟังให้จบแล้วแล้วดูว่ามันใช่นั่นก็คือใช่ก็เลยฟังหลงพอออสครับพอฟังไปแป๊บหนึ่งเนะี่ยมันมีคำหนึ่งที่ท่านพูดเนี่ย ตีแสกหน้าเลยครับว่าคือใครไปรู้ล่ะอืมแล้วใครไปรู้ล่ะอุปมาเหมือนกับว่าผมเนี่ยเรียนอภิธรรมมา20ปีอะ่ะเราอยู่ในป่าแต่เราเร า, เร า, เ, ราเราอยู่ในป่าแต่ไม่เห็นป่าแล้วเราไปนั่งนับใบไม้ในป่ามึงโหมันับไปทวดอะ่ะอีกยาวสังสารวัแตแล้วทีนี้มันเหมือนกับมีพิสูจนองค์หนึ่งไอ้หนูมานี่กวัดมือมามียกตัวอย่างนะอุปมาอุปไ ม, ปมเป็นนิทาน แล้วก็เดินออกมาจากป่าแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วพออกกัดกระแบกมืออ่ะเองเห็นอะไรไหม เ, เห็นใบไม้สีใบมีแค่สี่คำนะฮะสี่คำว่าใครไปรู้ละ่ะใครไปรู้ละ่ะแค่นี้ครับผมก็ปิงเลยผมก็โรงเลยและไอสิ่งที่เราเรียนรู้มาทุกอย่างเนี่ยมันก็มีตัวเราไปรู้ครับแล้วถามว่าแล้วใครไปรู้ก็เราไปรู้ เม e, ื่อเมื่อสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูกลายเป็นภายนอกเหมือนป่าเราเห็นป่าเนี่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูยังไงเราก็บอกว่าป่าเนี่ยไม่ใช่เราถูกต้องไหมก็เหมือนธรรมะธรรมะก็ไม่ใช่เราหรอกเพราะธรรมะมันก็ไม่ใช่เรารอยู่แล้วเราก็ไม่ธรรมะอยู่แล้วพอไปเห็นตัวเราก็กลายไปเห็นทั้งป่าเห็นทั้งเราด้วยการถูกรู้ทั้งสองสิ่งก็เลยโอ้โผลงอลยทีนี้ทีนี้พอโผลงปุ๊บผมก็สุ่มนะสุ่มกับคนที่พอว่าว่าจะดิ้นดูพื้นฐานธรรมที่จะไปได้ที่จะเกื้อกูลกันได้ ก็สูงประมาณสัก5้าหคนเจคน8คนก็มีพี่จอมนี่ครับฟิกแบ็กกลับมาทีนี้แกฟิกกลับมาปุ๊บแกถามคำถามว่าอ่าพอออสรู้จักได้ไงอย่างไรประมาณนี้ครับผมก็ปล่อยแกพูดไปก่อนเหมือนกับปลาครับปล่อยเขาให้เขากินกินเบ็ดไปก่อนปลาติดเบ็ดจะกินไปปล่อยปล่อยปล่อย่อยไปพอสักพักหนึ่งก็พอปลาไปมีไปไหลสักพักนึงผมก็กระตุกเบ็ดเลยไงกระตุกไฟปลารู้สึก พอพ่อบอกว่าอืพี่จอมเกลือเค็มไหมเคบอกเกลือก็เค็มสิเพลินเค็มนี่ดูดิพี่เกลือเค็มไหมเค็มนะผมก็บอกพี่คิดดีๆนะคิดดีๆนะจุดนี้แหละครับขอให้พี่จอมเล่าอารมณ์นั้นดีกว่าครับยนเชิญที่จอมถ้าถ้าเข้าน้ำมั้งใช่หรืออ่าโอเคออาเราต่อก็ได้ใครแม็กเลยก็เลยบอกพี่จอมว่าเออเกลือเค็มไหม บอพี่บ่าคิดดูดีๆนะแกก็บอกว่าอืเกลือก็ไม่เค็มนี่เขาบอกอืแล้วพี่พี่เขาถามพี่อมเกลือไหมพี่ไม่ได้อมเออแกก็อ๋อแกก็กระแทกตีแสกหน้ากันละเพราะว่าอะไรตอนที่ผมอยู่อภิธรรมเนี่ยผู้แต่เรื่องสภาวธรรมอย่างนู้นอย่างนี้ให้อยู่ปัจจุบันอารมณ์นะขณะที่เราที่ถามว่าเกลือเค็มไหมเนี่ยขณะนั้นก็คิดไงครับ แต่เขาไม่ได้ออมเกลือแต่เขาคิดว่าเกลือเค็มเพราะว่าจํำชื่อเรื่องราวเป็นสัญญาทุกวันเนี้ชีวิตคนเราตั้งแต่ดูมตาถืนไม่ ว, ว่าจะศาสนาใดชาติใดโลกใดในโลกเนี้ยมันอยู่ในทะเลชื่อและทะเลภาพทะเลชื่อคือเห็นยกตัวอย่างเช่นส้มตําเนี้ยแค่ได้ยินเสียงว่าส้มตำเนี่ยทำไมเจาแค่ยินแค่นี้น อ, าาอันนั้นเปรี้ยวปากอืหน้ําลายแตกสออะไรเงี้ยหรือบะม่วงพร อ, อะไรพระสัญญามันจําพอจำปุ๊บมันมันก็คิดนึกกันสิมะม่วง เปรี้ยวไหมมะม่วงไม่เปรี้ยวแต่เพามันเป็นของปลอมสิ่งที่ทีจริง ท, ที่ปรากฏขนาดนั้นคือคําว่ามะม่วงเปรี้ยวไหมคือเสียงนั้นมีจริงแล้วก็จำก็คิดนึกคิดนึกมีจริงคิดนึกมาจากไหนถ้าไม่มีจําจะมาจากไหนถ้าไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมมันจะไล่มาอภิธรรมจะได้แบบนี้เป็นคนละเอียดที่จะไล่ย้อนแต่ต้นต้นจ น, น, นจบแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้ฮะก็เลยว่าเอออภิธรรมจริงๆก็คือชีวิตปกตินะครับก็เลยเข้าใจว่า การปฏิบัติธรรมที่ที่สุดคือการเป็นปกติที่สุดที่ที่สุดคือขนาดเนี้ยครับเดี๋ยวเนี้ยครับเพราะว่าเราจะไม่ไปอดีตเพราะว่าการที่เราผมเข้าใจตรงนี้ปุ๊บผมก็เกื้กูลพี่จอมไงว่าพอพี่จอมถามว่าเกลืไม่เค็มผมก็ถามพี่จอมว่าพี่จอมอยู่ไหนไปห้องน้ำสิแล้วก็ไปดูเออเห็นใครไหมพี่ก็ไม่เห็นใครนะพี่ดูดีๆมีใครไหมก็ไม่มีใครน่าเพิินพี่ดูดีๆนะใครใครมีใครไหม เกสักพักแกโอ้ก็มีพี่ไงเออคือไป ม, มองหาในคนอื่นไงในตัวเองมองไม่เห็นก็เหมือนกันนะครับคือคือพอเราแกพี่เข้ามาเห็นตัวพี่เขาเองเนี่ยผมก็รู้ละปัญญาท่านท่านเกิดขึ้นละคือกระตุกให้ท่านกระแทกเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนแยป่ปักคลอกมาสิผมบางภูเ ข, ขาครับจุดเนี้ยครับก็เลยว่าเมื่อเรารู้ว่าคํานี้คําจริงถ้าพี่บ่าวเข้าใจเสดงว่าคํานี้การันตีได้เลยว่าของแท้ ผมก็เลยมั่นใจครับเพราะมั่นใจพุกกว็ก็คุยพี่พี่บ่าวไปเรื่อยๆบางทีตื่นเช้ามาก็สุนาทาธรรมอะไรเงี้ยครับเจนที่จองต่อเลยครับพี่พี่บ่าวติด ส, สายป่ะจอมติดสายจองติดสายค่ะอ๋ออ๋อโอเคครับเข็ดครับก็ก็เป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องแล้วแต่เป็นอนัตตางจริงเนาะแล้วก็เปเป็นเรื่องที่เราบังคับบัญชาญไม่ได้แต่สิ่งที่เข้าใจได้คือ ความเข้าใจยืดขนาดนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับแต่อย่างหนึ่งนะต้องระวังข้อนึงว่าสภาวะธรรมเกิดกับปัจจุบันขณะเท่านั้นไม่ใช่ไปอดีตและอนาคตสิ่งใดเราเนี่ยพอได้ยินได้กินได้ยิ้มรสได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยมันก็จะไหลไปอนาคตไปอดีตครับไม่แคได้ยินงดับไปละแล้วก็คิดดับแล้วก็คิดเราถูก คกเห็นความคิดนึเนี่ยมันกักขังมาตลอดแต่อย่างบางคนได้เ ข, เข้าใจปุ๊บก็จะทําลายความคิดได้ก็บกเบเมื่อไหร่เมื่อรู้ ร, รู้รู้คิดเห็นคิดได้รู้สึกเห็นคิดได้หรือเข้าใจคิดได้น่าจะพ้นอิสระจากความคิดไปแล้วแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไปภาคแล้วเราก็ไปหลงทีมันก็ซับซ้อนคิดครับอีกชั้นหนึ่งแต่มันก็เหมือนกับเราเจอกระจกบานหนึ่ง เป็นสะท้อนเห็นเงาใช่ไหมการที่จะเห็นตัวเองได้มันต้องมีเงาสะท้อนหรือหักเหกลับมาคือหักกลับมาย้อนหาเราเลจริงครับว่าใครไปรู้หลักสูตนี้ครับทีนี้ถ้าเราเห็นกระจกแล้วปุ๊บว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่เราถูกรู้ถูกดูถ้าเราจะสงสัยว่ามีตัวรู้ก็เหมือนไปไ ป, ไปหากระจกไปอีกชั้นไงเหมือนกระจกในหลังกระตูนอ่ะมันก็มีกระจกเรื่อยกจกไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นชั้นๆั้นชัไม่จบแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปผักกระจกบานต่อไปทันทีเพราะเปิดไปก็่่่สิงงวางาเปล เนี่ยครับผมต้องขอบคุณพ่อออสเพราะว่าผมพอเข้าใจสภาวะธรรมปกก็ไปเล่าให้พ่อออสฟังว่าอย่างนู้นอย่างนี้มันเจออย่างนี้อย่างนี่งนี้เหมือนน้องนิชาเลยครับว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอสุดท้ายอืมเราก็เข้าใจสังเกตดูว่าใช่สุดท้ายแล้วไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นคืออะไรคือโลภะมันเนียนมากครับเหมือนเพื่อนสนิทเลยครับเหมือนผู้จัด ก, การสั่งนู่นสั่งนี่ทำหมดเลยครับ เราทําอะไรแบบไหลไปเรื่อยๆโดยไม่รู้เหมือนคนบอกจิตเป็นนายกายเป็นเบาวนะี่ยไอ้ที่เราเป็นบ่าเพราะอะไรครับเราเป็นาธาตุทออาสอาธาตุคือาธาตุรับใช้นะครับรับใช้รับใช้ชใครครับรับใช้ทางต า, งางหูจมูกกายสังขารทั้งหลายแหละเใช้กขาตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งอย่างหลายๆท่านเนาะอย่างเห็นของนี้นิชาก็ดีหรือหว า, านเจี่ยบก็ดีหรือหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้ครับพี่จอมก็ดีเนะี่ย จากท่านเห็นจะกลายเป็นาธาตุทู่ถูกจองจําหรือถูกโซ่ตัวนเปลี่ยนเป็นาธาตุรู้ก็คือทอพงศลา ต, ต่อต่าสรุธาตุนะครับคือาธาตุตัวนั้นนะครับคือไม่เป็นใครครับเป็นธาตุเป็นาธาตุสภาวะาธาตุธรรมธรรมาธาตุหรือพุทธทาธาตุก็ไรที่เขาว่าครับนะครับคะนั้น สิ่งที่ผมแปลกใจที่สุดแล้วก็ให้เราในห้องเนี้ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าอย่างยกตัวอย่างพี่ณดีเนี่ยทั้งๆ ท, ที่อยู่กับาศาสน า, าคริสต์มาหลายปีแล้วก็มาสนใจผู้าศาสนาแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่เข้าใจได้เร็วและไวด้วยแล้วก็มีมีความเข้าใจพระเจ้าบอกครับไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรด้วยความอื่นครับเพราะบุญแต่ปานก่อนแล้วก็สะสมมาครับ บุคคลใดถ้าเข้าใจมาตรงนี้ปุ๊บอย่างผมบอกนะกลุ่มนี้นะตัวเฉพาะตัวพี่เพลนะพี่จอมหรือว่านิชาหรือว่าพี่น ด, ดีหรือใครต่างๆที่อยู่ในห้องนีเจี๊ยบด้วย ม, มันมีการปฏิบัติธรรมสายของผู้เจ้ามีแค่2 ส, สายในยุคนั้นนะฮะหสายปัญญามีมุตสองสายเตโชวิมุติจะรู้ได้ไงเราเป็นสายไหนผมรู้ตัวผมผมเป็นปัญญามีมุติเพราะเวลาผมนั่งเนี่ยผมมันพูดมันภากมันคิดมันนึกมันไม่หยุดมันยุกยุ บ, ย บ, ย บ, ยบ S 1> <S 1> <S เหมือนกันครับอาการมันงนั้นครับมันมันต่างกับว่าเราฟังคนพูดหรือฟังพ่อแม่ปรมาจารย์เนี่ยสมาธิจะ น, นิ่งจะไวและเข้าใจขณะที่เรามีการฟังเนี่ยหรือการสุนทนณาธรรมอยู่นะครับหรือฟังพ่อแม่ปรมาจารย์ก็ดีเนี่ยขนาดนั้นครับองค์ธรรมเกิดขึ้นแล้วครับสีสมาธิปัญญาเกิดแล้วครับเราไม่ใช่เข้าใจว่าบางคนเข้าใจผิดว่าสีสมาธิปัญญาต้องไปนั่งสมาธิเท่านั้นนะเดินจงกรมนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ ผมพูดตรงๆว่าผมเข้าใจสภาวธรรมตอนนั้นครั้งแรกชีวิตสิบกว่าห้าปีสิบห้าปีสิบสิบห้าสิบสองปีวันเนี้ยผมฟังอภิธรรมเลยครับผมเข้ากลางคืนแล้วผมฟังปุ๊บจูๆขนาดที่เราฟังเนี่ยมันน้อมไปแล้วเข้าใจฟังครั้งที่หนึ่งไม่เหมือนครั้งที่ห้านะฮะฟังครั้งที่ห้าไม่เหมือนครั้งที่ร้อยนะครับความละเอียดมันทีชซซอค่อยเผยเผยเผ ย, เผยอย่างเงี้ยเข้าใจครับแล้วมันเกิดสีสมาธิปัญญาแป๊บเดียวมันเจอผู้รู้ในตัวเองแล้ว แต่ผมเรียกไม่ถูกว่าอันนั้นคืออะไรกูอธิบายไม่ออกพูดไม่ได้มันพูดไม่ถูกเหมือนวิชาเนี่ยครับแต่มันก็มีตัวหนึ่งก็เลยพอเราไปเจออภิธรรมก็บอกไม่ใช่หรอกมันเปนน็นนู่นนั่นนี่เราก็แขวะไปหลุดลอยไปอีกไปมาณเสียเสียเวลาไปสิบ ก, ก, กว่ า, กกา ป, ปีกลายเป็นยี่สิบปีแต่ถ้าวันนั้นผมเจอพ่อออสผมว่าผมไม่ต้องเสียเวลาฝ่านี้เราเข้าใจขึ้นขึ้นอย่างว่าครับเขาเรียกว่ามันไม่ถึงการอันควรเนาะบุญบารามีเรายังไม่ครบแล้วก็ต้องสะสมไปอภิธรรมเรืเร่อยๆ ก, ก, ก่อน พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้กายานิมิตเจอพระแม่ครูบาอาจาย์าเจอใครต่อใครเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์เองเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้าําพอถึงปีมน้ําเห็นแสงแดดนิดเดียวก็เบิกบานนะครับก็อย่างนี้ครับปกติครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแต่ละท่านก็คือแต่ละหนึ่งแต่ละดอกของของของในใจของท่านมีดอกบัวในใจของท่านแต่ละคนความงอกงามงดงามนั้นอยู่ที่ใครไม่ใช่พระพุทธองค์หรือว่าใคร แสงแดกไมแสงแดกแค่เป็นแค่บทฉายมาเพื่อให้ดอกไม้ดอกบัวแต่ละโอแต่ละต้นที่อยู่ในในในสระนั้นเนะบิกบานด้วยตัวเองถ้าปัญญาบุคคลนั้นมีการสะสมพอข้อเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะให้นิดนึงงก็ว่าบุคคลใดที่มาฟังใหม่คดีไม่เข้าใจคดีก็ลึก เ, เลยว่างงคันนี้ยฟังแล้วงงก็รู้ว่างงฟังแล้วไม่เข้าใจก็รู้เข้าใจฟังแล้วเข้าใจก็เข้าใจให้รู้อย่างเดียวอย่างที่ที่รู้ไปเรื่อยๆรู้แบบเรื่อยๆนะครับ พอสักพักหนึ่งมันจะจะเห็นว่าเออไอสิ่งเนี้มันของไม่เที่ยงรล้วสักพักรู้แบบเล่นๆนะครับไปเรื่อยๆรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างไม่ต้องสนใจมันพอมันเข้าถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะตามกิจของเขาเองครับสิ่งที่ปฏิบัติทําที่เห็นชัดเจนที่สุดคือเมื่อคุณเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วครับไม่ใช่เป็นเดินจงกรมไม่ใช่เป็นนั่งสมาธิไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไม่ใช่ครับความเข้าใจนั่นคือการปฏิบัติที่เกิดขึ้นแล้วครับที่ เมื่อวันก่อนเห็นน้องนิชาก็ดีหรือว่าเทียบหรือใครก็ช่งางเวลาหลวงพ่ออธิบายอ๋ออืมไอตัวนั่นแหละครับไม่ต้องอธิบายนะั่นคือเขาปฏิบัติสมบูรณ์เลยครับถ้าก่อไปไปภาคไปอีกมันก็หลงอีกครับเพราะนั้นการศึกษาธรรมะ ค, คือรู้และจบที่รู้ครับแต่ถ้าจบยังไม่รู้มันก็จะมีตัวรู้ซ้อ ม, มอีกครับเหมือนก็เปิดกระจกที่เห็นเงาตัวเองเห็นผู้รู้แล้วแล้วก็เปิดไปเรื่อยเรื่อืื อ, อ, อ, อ, อมันก็ทะลุพอเปิด ม, มันก็หนี่ว่างเปล่า อุบมาประมา ก, ก็เหมือนกับวกล้วยครับแกะไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ความว่างเปล่าทุกท่านมาจากความว่างเปล่านะครับแล้วกลับไปกับความว่างเปล่าก่อนได้ยินมีได้ยินไหมครับไม่มีก่อนเห็นมีเห็นไหมก็ไม่มีก่อนคิดดึกมีไหมครับก็ไม่มีผมนึงมีคาถานในใจผมตนนั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ประมาณสักห้าหปีแล้วในมีไม่มีไม่มีในมีครับนี่หัวใจของธรรมะครับกลมครับ <riv it> ต้องของคุณน้องเพิร์นน้องเพิร์นมาน ที่มาเกลือกูลให้เห็นความจริงว่าถ้าไม่ไม่ส่งคลิปวันนั้นให้ให้พี่นนพี่ก็ยังไม่เฉลียวใจว่ามันมีครูบาอาจารย์ที่เป็นสายงานหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อออสนี่ครับแล้วก็จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับดังนั้นผมจะพูดต่อเมื่อกี้ว่าไปทำความรู้สึกตัวทำทุกอย่างทาทุกวิธีแล้วเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าขาะนั้นเป็นเราทำพอมันมารู้ว่าเออเป็นเราทาเนี่ย มันก็เลยไม่ทิ้งเลยยอมกล้าแลกเลยทิ้งเลยก็เป็นคนเก่งนะครับถ้าอุปมาเหมือนกับว่าอยู่กินกันมา20ปียอมทิ้งได้เพราะรู้ว่าวิชาความรู้สึกตัวตรงนั้นมันมันต้องมีอะไรติดขัดแล้วที่เราไม่พ้นแล้วก็มันมีเราไปทําแล้วก็เลยมาฝึกคนเรียกอภิธรรมเลยไม่เอาแล้ววิชาปฏิบัติมามาเรียนรู้ในภาคทฤษฎีของการเรียนรู้เรื่องของอวิธรรมอภิธรรมเนี่ยมันตัวเนื้อหาของของอภิธรรมเนี่ย มันเป็นคําของพระพุทธเจ้าเป็นพระปัญญาคุณทําให้ทําให้รู้ว่าอภิธรรมนี้มันเหมือนกับว่าเป็นรายแทงเป็นเป็นอะไร่ะเป็นเป็นเอาพุทเลยก็ได้เป็นตัวผลลัพธ์แล้วที่สะท้อนกลับออกมาเป็นตัวอักษรที่ทุกคํานั้นเป็นประกอบด้วยปัญญาคําว่าปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารหรือว่ารอบรู้ว่ารอบรู้ในในขันห้าเนี่ยแต่ว่าที่สําคัญเราก็ไม่เข้าใจหรอกมันเป็นการจําทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการที่เราไปรู้หมด แต่โดยอัฏฐาโดยพยัญชนะมันไพลราะอยู่แล้วในเบื้องต้นแต่ท่ามกลางในที่สุดเราไม่เจอเพราะมันเป็นตัวเราไปหาเป็นตัวเราไปเรียนเป็นเป็นตัวเราไปศึกษาแต่คราวนี้ครับมันไฮไลท์อยู่ตรงนี้ว่าพอฟังคลิปหลวงพ่อออสแล้วประกอบกับที่เฉลียวใจมาที่ที่เพลินบอกว่าแล้วใครล่ะที่เห็นตัวเองมันทําให้รู้เลยว่าโอ้มีคนหนึ่งในนั้นคือเราไม่พ้นเราจริงๆประกอบกับที่ผมบอกว่าผมไปที่ที่ตาปลื้มหรือตาที่พิการคนนั้นเ้าสอนให้ผมเดิน เดินอะไรอ่าเดินเห็นหุ่นอยู่เนืองๆเนี่ยมันสะสมมาแล้วแล้วก็ยิ่งมั่นใจที่หลวงพ่อออสพูดตรงนี้โอมันมันเหมือนไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาสะสมวันสองวันนี้ทีแต่มันมีกําลังของการรู้จากหุ่นมานานทั้งๆที่ทิ้งการปฏิบัติแบบรู้สึกตัวแล้วเวลาเดินไปไหนมาไหนมันก็ยังเห็นร่างกายของเราเดินอยู่เพราะว่าวิาวชาเห็นหุ่นนี้มันจะไม่ทิ้งถึงเทาานี้จุดเปลี่ยนที่สําคัญยิ่งที่สุดก็คือพอไปเรียนอภิธรรมนั้นอภิธรรมบอกว่าจิต กับอารมณ์คนละอย่างจิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์จิตมันจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้แล้วสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ซึ่งอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงอารมณ์ดีอารมณ์เสียแบบที่ชาวบ้านเข้าใจนะอารมณ์หรืออารมณะนี่คือได้แก่สีเสียงสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทั้งหมดทั้งมวล น, นี่เป็นอารมณ์อ๋อแสดงว่า ในโลกนี้มันมีจิตกับอารมณ์นี่วะก็คิดอย่างนั้นแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มฟังและเริ่มพิจารณาแสดงว่าตัวจิตไม่ใช่อารมณ์ตัวอารมณ์ไม่ใช่จิตมันก็ไต่ตรองไปเรื่อยๆไต่ตรองไปเรื่อยๆประกอบกับหลวงพ่อออสบอกว่าในโลกนี้มีแต่สิ่งที่ถูกรู้ผู้เห็นไม่มีแล้วอะไรหลวงพ่อออสพูดผู้เห็นผู้ถูกเห็นผู้เห็นผู้ถูกเห็นมัน ม, มัน ม, มั น, ม, น, ม, น, ม, นมันมีสัญญาเก่าเรื่อง เรื่องของจิตเรื่องอารมณ์จิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตก็เหมือนกับคนที่มันนั่งไตรตรองคิดอยู่เนาะเสร็จแล้ววันหนึ่งมันอ๋อเลยว่าโอ้เมื่อตัวเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยตัวเรามันจะมีไม่ได้แล้วอุปมาเหมือนตอนแรกที่จิตกับอารมณ์มันเป็นคนละอย่างคราวนี้พอหลวงพ่อบอกว่ามันมีธรรมชาติหนึ่งมารู้เราแสดงว่าไอ้ตัวเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเรียนอริธรรมมาเลยแสดงว่า ท, ทั้งหมดทั้งมวที่ไปเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวก็ดีการมองเห็นหุ่นก็ดีแล้วก็การมาเรียนอริธรรมหลังสุดเนี่ยมันเป็นมันกับสมลมมันผสมกันจนจนเป็นความเข้าใจว่าอ้ออย่างนี้นี่เองการเป็นธรรมชาติรู้ที่มารู้เราและเราเองกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวเราจะเป็นแบบเราไม่ได้อีกแล้วมันหลุดเลยครับคราวนี้พอมันหลุดเนี่ยมันอาจหาล่าเริงที่จะเกือ้อกูลผู้อื่นได้อย่างมั่นใจเลยว่า ความเป็นเราที่เคยบอกว่าเออแล้วจะหายยังไงแล้วจะพ้นยังไงแล้วจะแล้วจะหลุดจากความเป็นเราอย่างไงเนี่ยมันไม่ต้องพูดแล้วครับว่ามันหลุดยังไงเพราะมันด้วยตระ ก, กะและพยัญชนะด้วยอัฏฐะแล้วก็ด้วยทุกอย่างแล้วมันสมบูรณ์ในความหมายของความไม่มีเราดังนั้นเนี่ยหนึ่งมีความชัดเจนเลยเราไม่มีเพราะเราการเป็นสิ่งที่ถูกรู้สองความลังเลสงสัยในความเป็นเราไม่มีใครจะพูดว่าเอออาจารย์จอมยังมีเราอยู่ก็พูดไปแต่ผมเห็นแจ้งแบบนี้แล้วว่าไม่มีเรา อันที่สามก็คือความที่จะนี่ก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ก่อนนั้นผมก็บูชาพระเช่าพระชอบเนาะเป็นคนถึงแม้ว่าจะน้อยน้ยปลายปลายแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าต้องมีต้องมีพระอะไรประจําองค์บ้างอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาเข้าใจแบบนี้นะมันมันมันไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งอย่างถึงพร้อมได้อย่างพระรัตนตรัยแล้วเนาะพอมาเข้าใจใ น, ในเรื่องของความไม่ใช่เราแล้วพ้นเราแล้วเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธ์ตงายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่ากับความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เหนือจากนั้นทั้งหมดก็เลยเออตั้งพระตั้งอะไรตั้งเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษเลยครับแต่ว่ามีการนอบน้อมเนาะพระรัตนตรัยอย่างที่สุดดังนั้นก็เลยเข้าใจในหลายๆคําพูดโดยเฉพาะความไม่มีเราเป็นอย่างนี้การละความวิจิตรฉาเป็นอย่างนี้สีรับพัตตะประมาศเป็นอย่างนี้ดังนั้น ฐานาลาเริองที่จะพูดกับพวกเราได้อย่างได้อย่างมั่นคงเลยว่าคุณจะมามิติไหนนะครับเราก็สื่อสารได้หมดแล้วก็ที่สาคัญก็เป็นกำลังให้กับพวกเราได้อย่างมั่นใจได้เลยว่าสื่อสารทั้งทางด้านของอภิธรรมก็ได้สื่อสารในทางนักปฏิบัติก็ได้เพราะที่ไปเรียนมาตั้งแต่ปฐมหานี่มันออามาใช้ตอนนี้จริงๆอะ่ะเพราะแต่ก่อนไม่เค ย, เยคิดว่าเราไปเรียนอะไรกันนักหนาได้ตั้งแต่ป .5 แล้วไปแล้วไปสนใจอะไรในสิ่งที่เพื่อนเขาไม่เรียนขนาดว่าอยู่มัธยมปลายเขียนก็เขียนข้างกระเป๋าว่าสติที่พึ่งสุดท้ายนึกถึงวัยเรียนนะเนาะคนอื่นเขาเขียนภาษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับวัยจา้าวัยรุ่นวัยวุ่นวัยเรียนอะไรเราไม่เขียนแบบนั้นเราสมัยมสีเราเขียนว่าสติที่พึ่งสุดท้ายดูจากด้วยด้วยความที่เป็นเด็กมหาณนะ์ะเนาะเด็กมหาแบบเด็ก เด็กมหาป ร, ริญญาทำอะเนาะแต่ว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางนั้นไม่ไม่ได้ไปทางสวดมนต์ไม่ได้ไปทางมรรคฐานยกแบบนั้นแต่ว่าพอเห็นความจริงไหมครับว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้จริงๆของการสะสมมาและที่สําคัญก็คือว่ามาเจอครูบาอาจารย์ท่านออดนี่เรียบเสมือนพ่อทางธรรมเลยครับก็คือทําให้เห็นความจริงว่าไอ้สิ่งที่เราถูกรู้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่รู้เดิมไม่ได้แล้วคือเรารู้แบบเดิมๆไม่ได้แล้วดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอธิษฐานจิตเลยว่า ใครที่ติดปัญหาตรงไหนใครที่เจออะไรแก้ไม่ไม่ออกในชาตินี้มาเจอผมผมจะเกื้อกูลให้เต็มกําลังความสามารถหลับที่มีลมหายใจอยู่กมันมากันเต็มนะครับคนที่จะพร้อมพร้อมที่จะติดติดตรงไหนก็มาเลยวันนี้ก็ยังยังรู้สึกเลยว่าเออเวลาคุยสนทนาธรรมะอันความไอความเจ็บความใครนหายไปหมดแต่เวลาหลังไม้น้ำไอไปธรรมดาแหละครับกราบขอบคุณทุกท่านเขาพูดยาวจริงๆวันนี้ครับไม่ทราบท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับ สาธุอนุโมทนาบุญครับพี่จอมครับไม่ทราบท่านใดมีอะไรจะทิ้งท้ายมั่งวันนี้จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปิดห้องก็ได้หรือว่าใครใครจะปิดก็ได้เลยครับคือเราเหมือนกับว่ารู้รู้รู้ไปทีหลังมันก็ถอยมาเป็นไม่รู้มันจะมีความสึกไม่รู้เหมือนว่ารู้รู้รู้เหมือนตัวเราเนี่ยค่ะรู้รู้รู้ค่ะตัวเรามันไม่รู้มันไม่มีรู้แล้ว แต่มันรู้มันจะมันจะอธิบายได้งงอย่างนี้ยค่ะแต่เวลาเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่ตรงฝั่งตรงนั้นเราจะเข้าใจตรงนี้เหมือนเห็นอย่างนั้นเลยว่าอา้าวตอนนั้นมันยังรู้รู้รู้ตอนนี้อา้าวเราก็ไม่ได้รู้อะไรแต่มันก็รู้อยู่แต่มันไม่ได้แบบมีอะไรไปรู้มันหรือรู้อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความสะใจที่ว่าเราสะสมอะไรรู้มาตั้งเยอะสุดท้ายเราก็ต้องหันกลับมาไม่รู้ คือแบบถอยกันมาเหมือนเดิมอะเหมือนไปให้ไกลแล้วก็กลับมาไม่มีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ถ้าใครถามว่าโกรธไหมเหมือนน้องคนนั้นเขาถามอ้าวก็ก็ตอบตรงๆโกรธเหมือนคนทั่วไปเหมือนเหมือนใครมานั่งใกล้เราแล้วเขาก็พูดอยู่นั่นเราก็รู้ว่าเขาพูดแต่เราไม่ได้แค่สนทนากับเขาแค่นั้นแหละมันจะมีความรู้สึกว่าก็เขาก็พูดเราก็เห็นอยู่ว่าเขาพูด เหมือนโกรธล้วก็เห็นว่าเขามันก็โกรธเหมือนโกรธแต่เราไม่ได้ไปร่วมสนทนากับความโกรธเหมือนว่าเราไม่มีอารมณ์ร่วมกับมันแค่นั้นแหละแต่ว่าแค่บอกว่าไม่โกรธโอ้โหมันก็ไม่ใช่มันมันก็มันไม่ใช่ละแต่ว่าอาการขันห้าก็มีทุกอย่างเหมือนเหมือนเราก็แค่แบบอันไหนถ้าเรารู้อ่ะแล้วรู้ซ้อนไปเราต้องอย่าอย่าอย่าประมาทพระพุทธเจ้าสุดท้ายคืออย่าประมาทอย่าประมาทว่า นี่คือจบเพราะเราอะเป็นอย่างนั้นวะไงแบบโอ้นี่จบแล้ววิสังขารจบแล้วมันไม่ใช่เราต้องเราต้อ ง, เ ร, องเราต้องอย่าหลอกตัวเองว่าเรายัางไม่มีเราแล้วเราต้องถ้ามันรู้สึกตัวรู้ที่จริงๆเนี่ยถ้ารู้เขาจะไม่หลอกหลอกไม่ได้มันจะบอกเองแล้วมันเมียเหลืออยู่แหละแต่ถ้าเราหลอกตัวเองปิดบงังเราก็จะจะทําให้ตัวเองไม่ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายมันก็เป็นตัวเองนั่นแหละที่เสียประโยชน์แต่ถ้า เราสามารถรู้ว่าเอ๊ะไม่เป็นไรมันยังไม่จบเราก็ต้องหาหาหนทางมันไม่เป็นไรเรายอมแพ้ตรงนั้นก่อนเรายอมที่จะค้นหาคําตอบจนกว่ามัน ถ, ถ้ามันมันหมดมันก็จะรู้ไม่หมดมันก็รู้อ่ะเพียงแต่เรายอมรับมันได้ไหมว่าเราไม่หมดเนี่ยค่ะคือสิ่งที่อยากจะบอกครับที่ล<ม>ิชาบอกว่า มีกดนะเนี่ยก็คือสภาวัฏสงที่ผมบอกไงในมีไม่มีในมีอ่ะมีจริงในจริงนั้นมีจริงแต่ไม่มีผู้กฎแล้วไม่มีในมีคือมันไม่มีเราแต่ในนั้นมีจริงคือพุทธะก็คือธาตุรู้ครับใช่เลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้มาเห็นต้นทางแล้วไปสู่ทางเห็นความถูกต้องและอริยมรรคแล้วมรรคคือทางทางลุทธทางที่ประกอบด้วยปัญญานะครับเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนในนั้นไม่ทราบมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ จะได้ปิดห้องเลย ว, วันนี้ก็พอหอมปากอหอมคอปิดสักเร็วน้อหน่อยเจ็บคอเลยไม่ทราบน่าจะไม่มีแล้วนะขออนุ ญ, ญาตเป็นคำกลอนเนาะจะได้ไม่เด็กเกินไป3รัห้าทุ่มกว่าแล้ววันนี้จุดเปลี่ยนความเป็นเราเหนือตัวเราวิสังขารรู้ตื่นและเบิกบานสุขสานนินพานเทิน